เดี๋ยวนะหลวงพ่อจะอธิบายยังไงอย่างเ <c oughs> พียงฟังอย่างเดียวเนาะมันมันมันมันไม่รู้จริงไนงะแต่ว่าระหว่างที่ฟังเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจริงๆมันต้องฟังแบบใจจดใจจ่อเนาะใจจดใจต่อคือหลวงพ่อพูดอะไรแล้วก็เหมือนกับว่ามันพอจะเห็นตามได้อย่างเงี้ยเช่นเวลาหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างเงี้ยคือให้เห็นตามตามที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเราเราอยากไปเอาความรู้อย่างอื่นมา มาเปรียบเทียบหรือเอามามามามาแข่งกับไอ้ตัวที่กําลังปัจจุบันเนี่ยหมายความว่าหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่างไรก็ให้เห็นตามอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดการเข้าใจทําไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะตีกันมันจะตีกันเพราะอะไรเพราะว่าความรู้ที่มีอยู่เดิมที่เรารู้เนี่ยมันก็อีกรู้อีกแบบหนึ่งเนาะแต่สิ่งที่หลวงพ่อกําลังพูดปัจจุบันเพื่อยกตัวอย่างตรงเนี้ยคือกําลังให้เห็นตามทีนี้ถ้าถ้าใช้หลักตรงนี้ก็คือว่าความรู้เก่าทั้งหมดที่เคยมีเนี่ย ให้วางไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ทําลายไม่ได้ก็คือหมายนกับว่าเก็บพักไว้ก่อนแต่ลองรับสิ่งใหม่เออรับสิ่งใหม่แล้วก็มันก็จะทําให้เข้าใจได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะปิดกั้นมากเลยเช่นแต่จริงที่พูดอย่างนี้ก็ประสบการณ์ของตัวเองแหละเมื่อก่อนบางทีเราก็มีความรู้อยู่บางอย่างแล้วแล้วพอใครใครพูดธรรมะเนี่ยความรู้สึกว่าเรารู้แล้วเรารู้แล้วแล้วมันก็ไม่ฟังเขาไอตรงที่ว่าเรารู้แล้วตรงนี้อเนี้อันนี้ที่เป็นมันเป็นมันเป็นอัตตาที่มันไปปิดกั้นเนาะ แต่ทีนี้ถ้าเปิดใจก็คือว่าเออฟังว่าบาดอาจจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราเหมือนกับว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ได้หรือถ้าพูดฟังซ้ํามันก็ทําให้เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นหรือถ้าพูดเรื่องใหม่ก็ทำให้เออมีความเข้าใจเพิ่มอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่าเปิดประตูใจเนาะเปิดใจรับรับฟังอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าสู่ใจแล้วก็ทําให้เข้าใจได้ไม่ยากแยกกันนะแยกคือของเก่าก็วางไว้ก่อนแล้วก็ของใหม่ในปัจจุบันก็ฟังดู อย่างเพิ่มเติมนิดหนึ่งอย่างสมมติหลวงพ่อพูดเรื่องเรื่องใจแบบนี้นะสมมติพูดเรื่องแต่บางทีหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดถึงว่าไอ้ที่พูดนี้คือสัจจะทำแท้นะแต่เราสมมติชื่อเรียกว่าใจก็แล้วกันแต่คุณนสมบัติของมันอะก็คือมันรู้อย่างเดียวมันรู้อย่างเดียวแล้วมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดได้มันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเนาะถ้าพูดได้มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่รู้แล้วมันเป็นแค่แค่ปรุงขึ้นมา แต่ถ้ารู้จริงรู้แท้เนี่ยคือไม่ปรุงแต่งนั่นก็คือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์นะความรู้ที่พูดไม่ได้ที่ภาคบ่นคิดไม่ได้เนี่ยอันนี้ยมันเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์มากเพราะว่ามันปรุงแต่งไม่ได้แต่ความรู้อื่นๆเหมือนที่หลวงพ่อยกตัวอย่างที่ไปเรียนมาทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นความรู้เหมือนกันแต่ความรู้ชนิดเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่ปรุงแต่งแล้วก็เป็นความรู้แบ บ, บ smell, โลกๆไม่สามารถที่จะพ้นทุก์ได้ประมาณอย่างเนี้ย เพราะนั้นรู้ตรงเนี้ยเลยมาตั้งชื่อทีหลังกันว่าอบางทีหลวงพ่อบอกเรียกว่าใจนะแต่ถ้ามีคนแย้งว่าเใจนี่มันเป็นอายตนะภายในมันมันก็ยังเกิดดับได้อ่ะหลวงพ่อก็ต่อยอดหลวงเออทั้งนั้นเพิ่มเติมกันแล้วกันเพื่อไม่ให้ซ้ำขอเรียกว่าใจแท้บางคนก็จะแย้งว่าเอาใจแท้มีด้วยเหรอพระไตรปิฎกไม่ได้เขียนแต่จริงๆอ่ะถึงผู้คนที่จะคิดจะพูดอะไรเนี่ยจริงๆอ่ะถ้ารู้ว่ากําลังพูดกําลังคิดในขณะนั้นเนี่ย มันก็จะมีธรรมชาติรู้ตามเห็นอยู่ตลอดเลยว่ากําลังพูดกําลังคิดอะไรกําลังรู้สึกแบบไหนยังไงเนี่ยจริงๆอ่ะคือให้ให้เกิดการรู้แบบนี้มากกว่าที่จะไปยึดถือความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาหมายความว่าทุกทุกขณะที่กําลังพูดขณะที่กําลังคิดขณะที่กําลังมีข้อโต้แย้งเนี่ยให้มีสติน่ะเออถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเริ่มจากให้มีสติรู้ก่อนว่านี่นะกําลังพูดกําลังคิดนะกําลังมีความรู้สึกแบบนี้นะ เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ากําลังเจริญสติกําลังเจริญสติคือให้เห็นสิ่งที่กําลังปรากฏขึ้นในปัจจุบันแต่ถ้าไม่ได้มีแต่ถ้าไม่ได้เจริญสติในระหว่างที่พูดที่ทําเนี่ยแล้วก็เอาแต่ความรู้เนาะมาพูดมาคุยเนี่ยอย่างเงี้ยโอยยิ่งห่างไกลเลยเหมือนกับว่าความาสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยก็กลายเป็นสังขารที่ปรุงแต่งแต่ไม่มีสติตามเห็นเลยว่าในขณะปัจจุบันเนี่ยกำลังปรุงแต่งอยู่ กำลังเกิดอะไรขึ้นในกายในใจไม่เห็นถ้าอย่างนี้มันจะเนื่อนช้าแต่ระหว่างที่เราคุยเราพูดเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเรียกว่าฝึกสติก็ได้คือให้เห็นอย่างน้อยก็ให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองก็ได้ว่าเออระหว่างสนทนาคันะระหว่างสนทนากันเนาะในใจเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบไหนรู้สึกขัดใจรู้สึกไม่ชอบเลยหรือรู้สึกชอบมากหรือรู้สึกว่าโอ้ฟังแล้วโล่งโปร่งเบาสบาย นี่ตรงนี้ต่างหากที่เป็นหัวใจที่เป็นทางเดินสู่ความพ้นทุกข์สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นแค่แค่แค่อะไรอะแค่อุปกรณ์แค่อาศัยมันเอออาศัยมันแต่ตัวแก่นจริงๆอะคือตัวสติสัมปชัญญะที่มีความระลึกได้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในกายในใจต่างหาก เ, ออเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ระหว่างที่คุยอะไรก็เหมือนกับว่าอืม แอบชำเลืองแอบสังเกตนิดหนึ่งก็ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จริงการแอบการชำเลืองดูเนี่ยมันก็เป็นตัวปลอมหมดอ่ะคือตัวเจตนาที่จะสังเกตแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่ไม่ปรุงแต่งที่รู้จริงๆอ่ะมันรู้ตลอดแม้กระทั่งเวลามีการสังเกตมีการแอบดูเนี่ยมันก็จะรู้รู้ว่าเออเนี่ยมีการแอบดูมีการสังเกตมีการพิจารณามันรู้หมดเลยเออ มันคือแค่ว่าไอ้ความรู้อ well ันนั้นน่ยมันเหนือมันเหนือไปอีกอีกขั้นหนึ่งแต่คนส่วนมากก็ไม่ไม่รู้จักไงไม่รู้จักก็เอาแต่เอาตัวเราเนี่ยเป็นผู้สังเกตเอาตัวเราเป็นผู้พิจารณาแต่ไม่รู้เราสักทีหนึ่งว่าไอ้ตัวเราที่เป็นผู้สังเกตไอ้ตัวเราที่เป็นผู้พิจารณาเนี่ยตัวเนี้ยคือสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งจะต้องปล่อยวางจะต้องไม่หลงยึดถือเออไม่หลงยึดถือให้มันไปให้มันเป็นทุกข์อ่ะได้แต่รู้ว่าอ๋อ มันมีตัวสังเกตมันมีตัวพิจารณามีตัวค่อควรทำมีอะไรเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยแล้วก็ยึดถือไม่ได้แต่ก็ต้องอาศัยมันนะอาศัยคือให้มันสังเกตไปให้มันโยนิโสมะนาติการไปแต่เพียงแต่ว่ารู้จักมันแล้วแล้วก็ไม่ได้ยึดถือแต่ก็ให้มันทํางานไปเป็นอย่างนั้นเพื่อให้มันเกิดสติปัญญาในทางที่จะสู่ปัญญาที่สูงสุด กราบธรัมสการหลวงพ่อค่ะสมุติคุณโปคุณดอนแล้วก็อฟังทุกทุกท่านค่ะดีมาตอนตอนท้ายพอดีฟังรีแคปพอดีนะคะเจ้าค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยพอฟังแล้ ว, ว่เจ้าค่ะก็ก็รู้สึกวงเล็กน้อยอ่ะค่ะก็คืออมันเป็นสิ่งคือจริงๆแล้วเราควรจะวางใจยังไงว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยจริงๆไม่ใช่เรารู้แต่ว่ามันมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจอเรื่องที่มันกระทบใจอย่างหนึ่งนะคะ่ะเราจะวางใจยังไงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เรารู้หรือว่ามันเป็นเรื่องที่เราเอาไม่ใช่ตัวเราที่รู้อะคะ่ะอาจารย์ตั้งเดี๋ยวผมก็ตอบตรงนั้นก่อนนะว่าเวลาอะไรกระทบใจนะจริงๆอ่ะมันก็เป็นเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาก็เหมือนกับว่าเมื่อมีตามันก็ต้องกระทบรูปใช่ไหมก็คือเกิด การเห็นขึ้นมาอันนี้คือเป็นธรรมชาติที่เป็นต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทีนี้อายตนะของเรามันก็มี6กทางเนาะมีหูตาจมูกลิ้นกายใจทีนี้ใจเนี่ยใจเนี่ยเป็นอายตนะภายในแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในใจที่เรียกว่าธรรมารมเนี่ยอันเนี้ยมันก็อยู่ในใจพอมันกระทบใจมันก็เกิดการมนโนวิญ ญ, ญาณคือเกิดการรับรู้อันเนี้ยเป็นปกติเป็นธรรมชาติเป็นปกติเป็นธรรมชาติ ทีนี้ถ้าไม่มีตัวเรานะไม่มีตัวเราเนี่ยมันก็มีแต่ธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้ามันมีตัวเราเมื่อไหร่ปับ๊บตัวกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นก็คือว่าความเป็นตัวเราเนี่ยชอบอาจจะไม่ชอบสิ่งนี้จะอาจเกิเรียกว่าไม่ชอบสิ่งที่กำลังปรากฏหรืออาจจะชอบสิ่งที่กำลังปรากฏตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวแปรแปรผันทาให้มันผิดธรรมชาติจากความเป็นจริงไปคือ จะเลือกเอาแต่สิ่งดีๆถ้าสิ่งดีๆก็คือจะยึดเอาไว้จะชอบแต่ถ้าสิ่งไม่ดีไม่ถูกใจก็จะผลักใส่นะแล้วก็จะไม่ชอบไอ้ตัวนี้ต่างหากที่เป็นเป็นความทุกข์ทางใจเพราะมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นตัวตัวกิเลสตา่างาอุปาทานนะแต่ถ้าถ้าปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์จริงๆก็คือให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเมื่อมันกระทบก็คือรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะกระทบแล้วมันจะเป็นยังไงก็คือรู้ตามความเป็นจริงตลอดสาย อันนี้วิธีการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องนะคือไม่เลือกเพราะการเลือกนั่นแหละคือตัวกิเลสตัณหากิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหมดเลยตรงนั้นก็เปลี่ยนเทคนิคการปฏิบัติใหม่ก็คือว่าฝึกรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันจิตใจมันเป็นอย่างไรก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแค่นี้แหละคือเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดอันนี้พูดถึงในทางปัญญานะแต่ถ้าพูดถึงในทางสมาธิมันก็อีกแบบหนึ่งสมาธิก็คือว่า แบบว่าเหมือนนั้นนั่งกำหนดรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวเพื่อให้จิตเนี่ยไม่แสสายไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรแล้วก็จิตก็จะส ง, งบพอเป็นส ง, งบปับ๊บมันก็เป็นสมาธิเนาะแล้วก็จะมีความเป็นสมาธิแต่ตรงนั้นน่ยมันเป็นแค่พักผ่อนนะเขาเรียกว่าพักผ่อนจิตให้มีกําลังเมื่อจิตมีกําลังแล้วเนี่ยจะต้องออกมารับรู้เขาเรียกว่าเปิดประตูใจให้มันรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในใจแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นสิ่งเกิดสิ่งดับ เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองตรงนี้แล้วเขาเรียกว่ากําลังเดินปัญญาให้เห็นตามความจริงว่าสิ่งที่เกิดก็ไม่ใช่เราสิ่งที่ดับก็ไม่ใช่เราแม้กระทั่งใจที่เป็นอายตนะเนี่ยที่เป็นตัวรู้เนี่ยที่เป็นตัวอายตนะมันก็ไม่ใช่เราคือรวมความแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอายตนะทุกตัวนี่นะหูตาจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่เรารูปรสกลิ่นเสียงโพธาภะธรรมอารมณ์ต่างๆก็ไม่ใช่เราวิญญาณขันที่เกิดการกระทบสัมผัสระหว่าง อายตนะภายนอกอายตนะภายในมันก็เป็นสิ่งเกิดดับมันก็ไม่ใช่เราคือเรียนจนเกิดปัญญาว่าทุกอย่างไม่ใช่เรานะมีแต่สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏแล้วก็หมดไปหมดไปเมื่อปัญญาเจีมแจ้งเมื่อไหร่ว่ามันไม่มีเราตรงนี้แหละคือจะถึงที่สุดแห่งทุกคือไม่มีเราต้องทุกข์กับอะไรเพราะว่ามันไม่มีเราไงมีแต่สภาพธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับไปนะหลวงพ่อให้คําแนะนําอย่างนี้ ขอทูบกับขอบพระคุณเจ้าค่ะคือปัญหาของโยมเนี่ยก็เออคือก็พยายามปฏิบัติแบบนั้นแต่พอเจอเรื่องกระทบใจเจ้าค่ะบางทีก็เป็นเรื่องเก่าเรื่องอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะมั น, ก, มน ก, ก็มันก็ทําใจยากมันก็จะคอยไหลไปทางทางแบบอกุศลเรื่อยเลยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการตรงนี้เนี่ยก็คือกําหนดจิตให้รู้ว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรตรงนี้แหละค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะ คือถ้าจะเอาเป็นปัจจุบันที่เป็นปัญญาที่พอจะเข้าใจได้ก็คือว่าปัจจุบันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่มีเราปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีเรามีแต่สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏทางอุตาจมูกเลี้ยงกายใจเมื่อไม่มีเราความปรารถนาที่จะให้เราต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้มันก็ไม่เกิดไม่มี นะอนี้ให้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ให้อยู่กับปัจจุบันนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยที่มันจะพ้นทุกข์ได้คือต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยกับความเข้าใจถูกความเข้าใจถูกตอนนี้ที่หลวงพ่อกาลังบอกก็คือว่าไม่มีเราถึงอย่ารู้สึกว่ามีเราแต่ความรู้สึกนี้มันก็เป็นแค่ความรู้สึกซึ่งมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีเดี๋ยวคุยไปคุยมาความรู้สึกว่ามีเรามันก็ดับสิ้นคือไม่มี นะและพอนอนหลับความรู้สึกว่ามีเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่ามีเราหรือว่ามีตัวเราหรือว่าเป็นเราเนี่ยอันนี้ก็มันเป็นแค่สังขารเกิดดับนะมองให้เข้าใจตรงนี้เลยว่ามันเป็นแค่สังขารเกิดดับเราไม่มีแม้กระทั่งที่รู้สึกที่ที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ความรู้สึกเป็นเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นแค่สิ่งสิ่งนั้นที่กําลังเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าไม่หลงนะไม่หลงไปเป็น ว่ามันเป็นเราคือไม่หลงยึดถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นเราเพียงแต่รู้ว่ามันมีอยู่มันมีอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเงี้ยอันนี้หลวงพ่อคาว่าไม่เป็นไรนี่คือเหมือนกับคล้ายๆคําปลอบใจนะแต่จริงมันคือมันเป็นปัญญาก็คือว่าอะไรก็ตามไม่เป็นไรมันเป็นของมันเช่นนั้นเองลองดูสิว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยนะที่เกิดมานี่นะที่มันต้องเป็นไปเนี่ยซึ่งห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้ก็คือเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ย มันจะต้องประสบกับความความไม่สบายกายใช่ไหมเพราะกายเนี่ยมันมีกายมันก็ต้องไม่สบายทั้งปีทั้งชาติอยู่แล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งนี้ความไม่สบายใจมันก็ต้องเกิดได้เปลี่ยนได้บางวันก็สบายใจบางวันก็ไม่สบายใจเราทำอะไรมันไม่ได้เลยก็เพียงแต่เห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันเมื่อมันสบายใจก็รู้ว่ามันสบายใจใช้หลักรู้นะมันไม่สบายใจก็คือรู้แล้วว่าไม่สบายใจ เมื่อมันสบายใจก็รู้แล้วว่ามันสบายใจตรงนี้อาการเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นธรรมชาติที่มีเหตุปัจจัยให้มันเกิดเราไปทำอะไรกับมันไม่ได้เลยที่ไปทำอะไรกับมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เราถ้าลองมันเป็นเราสิเราสามารถสั่งได้ใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยอย่ามีอาการอย่างนั้นให้มีอาการอย่างนี้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่เป็นเราเลยก็สั่งมันไม่ได้เพราะงั้นต้องใช้ปัญญาปัญญาในทางธรรมะเนาะ ถ้ายังเข้าใจก็ต้องอาศัยฝึกฝนนี่แหละฝึกฝนตามที่หลวงพ่อบอกอะไรเกิดขึ้นในกายในใจก็รับรู้รับรู้รับรู้การที่รับรู้ซ้ซําๆบ่อยๆซ้ซําๆบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญญามากขึ้นตามลําดับแต่ถ้าถ้าเราไม่เหมือนกับว่าถ้าเราส่วนหงยืนหยัดด้วยหลักความรู้เดิมนะส่นวนน่ะยืนหยัดว่าเ อ, ออยังไงก็เป็นเรายงเลิฟทํำยังไงเราต้องไม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ เกิดมาชาตินี้ก็คือไม่สไม่สามารถที่จะ เ, เกิดปัญญาในทางธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับตามความเป็นจริงในปัจจุบันทุกขณะว่าอมืมันเป็นอย่างนั้นะมันเป็นอย่างนั้นคืออย่าเอาตัวเราไปยุ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะแค่เนี้ยก็จะจะสงบใจได้เร็วขึ้นแล้วก็สงบด้วยปัญญาด้วยไม่ใช่สงบแบบกดข่มอะไรเดี๋ยวหลวงพ่อยกตัวอย่างประกอบนะบางทีก็ตอนกลางวันก่อนหน้านี้ก็เลยคุยกับโยมเหมือนกันระหว่างนั่งรถเนี่ย เราก็ยกตัวอย่างบอกว่าทุกวันนี้ทุกอย่างที่มันปรากฏทางหูทางตาทางจมูกทางทางทางกายทางใจนี่นะมันเป็นปกติเป็นปกตินะไม่มีผิดแพกแตกต่างอะไรเลยแต่ตัวที่มันมีปัญหาก็คือว่ามันมีตัวเราที่จะไปยุ่งกับสิ่งนั้นยุ่งไปหมดเลยเช่นนะสมมติฝนตกน้ำท่วมเนอะฝนตกน้ำท่วมนี้คือธรรมชาติไม่มีใครสั่งหรือไม่มีใครบันดาลให้มันเป็นหรอก มันเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซนตเพราะฉะนั้นเน ی, science, ี่ยเมื่อเมื่อเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเนี่ยอย่าเอาตัวเราไปไปยุ่งคืออย่าเอาตัวเราไปดา่าไปว่าหรือต้องไปให้มันเป็นอย่างอื่นให้มันเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แค่เห็นมันตามความเป็นจริงแค่เนี้ยมันก็จะไม่ทุกข์ทางใจเลยส่วนแก้ปัญหาก็คือแก้ปัญหาไปแก้ด้วยความไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่เอาตัวเราไปยุ่งจริงๆเนี่ยได้แต่รับรู้อย่างความเป็นปกติของมันเนี่ย ใจไม่ทุกเลยจะไม่มีจะไม่ทุกอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ต้องให้รู้เท่าทันว่าขราวใดก็ตามที่มันเกิดมีตัวเราขึ้นมาแล้วก็ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆเนี่ยตรงนั้นแหละมีทุกเออเพราะงั้นก็เลยฝึกสติว่าพอเวลาจะไปยุ่งอะไรเนี่ยรู้ทันพอรู้ทันรับวางมันใช่คือไม่ไม่ไม่ไปยุ่งคือหยุดหยุดการไปยุ่งวุ่นวายได้แต่รับรู้ได้แต่รับรู้นะอันนี้คือมันเป็นวิชาที่ต้องฝึกเนาะเพราะว่าอยู่อยู่ฟังเข้าใจแล้ว มันจะให้ผลเลยเนี่ยมันก็คงยากแต่ต้องฝึกฝึกฝึ ก, กอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยรวมถึงคนอื่นด้วยเนาะเพราะว่าที่อธิบายนี่คืออธิบายให้ใหทุกคนได้ได้ยินได้ฟังกันทูเชพากลับของพระคุณพระอาจารย์ตุ๊กขาหลวงพ่อครับ อ, อันนี้ก็เลยเมื่อกี้นึกถึงไปตอนปฏิบัตินะครับก็เลยมีคำถามเผื่อ ออยากให้หลวงพ่อแนะนํานะครับก็คือตรงที่วัดป่าสุประตก็จะมีหลวงพ่อเทียนใช่ไหมครับก็คือที่ใช้ในเรื่องของการยกมือสิบสี่จังหว ะ, ะครับอันนี้หลวงพ่อพอจะช่วยแนะนําสําหรับคนที่อยากจะปฏิบัติในเรื่องของการยกมือสิบสี่จังหวะตรงนี้ยังไงบ้างะครับหลวงพ่อพอจะช่วยไกด์ไลน์ให้พวกเราฟังได้ไหมครับเผื่อจะได้เป็น แนวทาง้ก็คือทำให้เรารู้ในเรื่องของอสติปัฏฐานในเรื่องของฐานกายอย่างแน่วแน่นะครับตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตหลวงพ่อช่วยอธิบายให้เราเพิ่มเติมได้ไหมครับก็หลวงพ่อเทียนเนาะชื่อที่เรียกกันท่นานเรียกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนจิตตะสุโพเนะเาะแต่ว่าท่านมรณภาพไปแล้วเมื่อปีปีสามศูนย์ ก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านเข้าใจธรรมะขั้นสูงตั้งแต่ท่านเป็นคารวะนะเมื่ออายุสักประมาณจะไม่ได้นะแต่ว่าท่านเหมือนกับว่าท่านเข้าใจธรรมะก่อนก่อนที่จะบวชเหตุผลที่ท่านบวชเพราะว่าท่านมองว่าถ้าท่านเป็นคารวะเนี่ยในการที่จะเผยเผยแผ่ธรรมะเนี่ยนะคนจะไม่ศรัทธาท่านก็เลยบวช นะบวชหลังจากที่ท่านเข้าใจธรรมะหลังจากเข้าใจธรรมะประมาณสองปีพอบวชแล้วท่านก็ก็สอนก็สอนสอนธรรมะเลยแล้ววิธีการของท่านคื อ, อรับประวัตินิดหนึ่งคือท่านเนี่ยตอนเป็นคาราวาสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ใจบุญสนทานชอบชอบให้ทานนะทําบุญทอดกรถินเนี่ยแล้วก็ท่านก็เป็นผู้รักษาศีลแต่ทีนี้ด้วยที่ว่าการการรักษาศีลการให้ทานเนี่ย ท่านก็มาเจอปัญหาอยู่ครั้งหนึ่งคือทอดกรถินนะพอทอดกรถิ่นเสร็จแล้วเนี่ยแบ่งงานกันว่าเออไอเรื่องการรับแขกเนี่ยหลวงพ่อเทียนตอนที่เป็นคาราวาสนะจะจะรับแขกเองส่วนแม่บ้านเนี่ยให้มอบหมายคือไปดูแลเรื่องของมหะหรสศพพวกหมอรำพวกอะไรแล้วแต่แล้วก็จัดงานทอดกระถิน่นทีนี้พอปรากฏว่าเมื่อทอดกรถินเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จงานแล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายว่า จะจะให้ค่าหมอรำสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือโดยหลวงพ่อเทียนยไปถามแม่บ้านทีนี้เออไม่ใช่ดิแม่บ้านไปถามหลวงพ่อเทียนว่าจะให้เขาเท่าไหร่ทีนี้หลวงพ่อเทียนก็เหมือนกับว่าเอา้ามอบหมายงานกันแล้วนี่ว่าเรื่องรับแขกก็หลวงพ่อเทียนจัดกกตกันเองเรื่องมหมอหัวลาค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องของแม่บ้านทีนี้ทําไมต้องมาถามอีกตรงนั้นแหละหลวงพ่อเทียนแบบกโกรธแบบกโกรธมากเลยอ่ะโกรธชนิดที่แบบ แต่ก็ยังกดเก็บอารมณ์อยู่นะไ ม, ไม่แสดงออกมากทีนี้ตรงนี้เองอะ่ะแล้วก็พอพอหลวงพ่อเทียนมีอาการโกรธแล้วเนี่ยแม่บ้านรู้ว่าหลวงพ่อเทียนโกรธแม่บ้านก็พูดว่าเนี่ยเราทำบุญนะทอดกระถินหลายกองด้วยเป็นบุญใหญ่เนี่ยตกนรกแล้วโอ้โหหลวงพ่อเทียนฟังอย่างนี้ปั๊บจุกเลยคือแบบโดนใจจริงๆเลยว่ามันเป็นตกนรกจริงๆ ทำงานบุญเนาะเออทำงานบุญงานกุศลแต่สุดท้ายเนี่ยมันโกรธเนี่ยมันตกนรกทำบุญไม่ได้บุญพอถึงตรงนี้ปับ๊บท่านเกิดแบบแรงฮึดขึ้นมาว่าจากนี้ไปเนี่ยนะหมายความว่าจะต้องหาสัจะทรมให้ได้ต้องข้ามตรงนี้ให้ได้เพราะอุตสาหะอุตสาหะอ่ก็ เ, ออ เ, เรียกว่าเป็นผู้มีศีลเนาะแล้วก็ทำบุญให้ทานมาสม่ำเสมอแล้วก็ทำเข้มเข้มงวดด้วย แต่ทำไมมันมันยังมีทุกข์อยู่ทำไมยังมีอาการโกรธอยู่ท่านก็เลยไปสแสวงหาธรรมะก็สะแสวงหาไปทั่วนะอันนี้หลวงพ่อก็เล่ารวบรัดตัดความก็คือว่าจนกระทั่งว่าท่านพบวิธีที่จะให้พ้นทุกข์ได้ก็คือท่านฝึกสติกับการเคลื่อนไหวโดยเอาร่างกายเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะมาเจตนาเคลื่อนไหวเช่นเ อ, อมาเดินจงกรมมายกมือสิบสี่จังหวะ แล้วก็ให้มีสติรู้ในขณะที่กายเคลื่อนไหวนะรู้รู้สึกรู้สึกตัวแล้วก็ทําต่อเนื่องทําต่อเนื่องแล้วท่านก็สอนว่าการรู้สึกตัวเนี่ยต้องฝึกต่อเนื่องอย่าได้ขาดตอนหมายความว่าจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินนะจะคูจะเหยียดจะเคลื่อนไหวการดื่มทาพูดคิดอะไรทั้งหมดเลยเอามาฝึกได้หมดเลยว่าขณะปัจจุบันกําลังทําอะไรอยู่ให้รู้สึกตัว แต่ท่านบอกว่าทาอย่าเคร่งเครียดทำแบบอ ย, อยากได้อยากมีอยากเป็นให้ทำแค่แบบเล่นๆไปนะทีเนี้ยที่ท่านสอนแบบนี้เพราะว่าที่ท่านเข้าใจธรรมะเพราะเข้าใจเพราะความรู้สึกตัวและท่านก็ชี้ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่จะเอาแต่ความส ง, งบความส ง, งบก็คือว่าเหมือนกับว่าให้จิตมันส ง, งบไม่คิดไม่นึก ให้มันแช่ให้มันส ง, งบอิ่มเอิบอยู่อย่างนั้นท่านบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออคือมันเป็นการรู้แต่อะไรนะเดี๋ยวท่านใช้คาว่าเป็นการรู้แบบไม่รู้เดียใช่ไหมเป็นการเป็นการคือคือท่านอธิบายอย่างนี้การทำความส ง, งบแบบนั้นเนี่ยมันส ง, งบแบบไม่รู้ท่านก็ขยายความว่าไม่รู้ก็คือว่าไม่รับรู้อะไรมันจึงส ง, งบ แล้วท่านบอกว่าการสงบของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสงบแบบรู้แจ้งรู้แจ้งหมายความว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจสงบคือใจไม่หวั่นไหวหมายความว่าใจเนี่ยก็คือได้แต่รู้นั่นแหละถ้าพูดง่ายๆก็ท่านบอกว่ารู้ซื่อๆรู้ซื่อๆอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทั้งภายในตัวเองนะในร่างกายในจิตใจก็แค่รับรู้รับรู้อย่างอย่างที่หลวงพ่อบอกะคือรู้แบบซื่อๆรู้แบบตรงไปตรงมา ไม่ต้องเราต้องไปแทรกแซงหรือต้องไปจัดการอะไรนะการรู้แบบนี้เขาเรียกว่ารู้อย่างพุทธะรู้อย่างพระพุทธเจ้ารู้พอท่านมีความเขาเรียกว่าประสบการณ์ของท่านน่ะนะท่านเข้าใจธรรมะอย่างไรท่านก็สอนวิธีการของท่านมาเผยแผ่จนกระทั่งว่ารุ่นหลังๆตั้งแต่น้นมาก็คือเริ่มมีลูกศิษย์ลูกหามากมายอะนะแล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนแล้วก็ ช่วงหลังก็เป็นที่เผยแผ่เป็นที่รู้จักทั่วโลกออืก็หมายความว่าเมืองจีนเมืองออินเดียเนปาลอะไรต่างๆเนี่ยมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยก็เริ่มมาเรียนมาเรียนกับท่านโดยตรงหรือก็าบางทีก็มาเรียนกับลูกศิษย์ของท่านซึ่งลูกศิษย์ของท่านที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นศิษย์เดี๋ยวจะใช้คําว่าศนะิษย์เอกเขายกให้ในวงการนะยกให้หลวงพ่อคําเขียนเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อคําเขียนก็คือผู้ที่ อยู่เป็นประธานสงฆ์ที่วัดป่าสุขโตแต่ว่าเจ้าอาวาสที่สุขโตคือหลวงพ่อไพศาลนะพระอาจ า, ยารย์ไพศาลวิสาโลเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็หลวงพ่อคำเขียนก็เป็นประธานสงฆ์ก็คือไปไปมามาแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่สุขโตแต่ว่าท่านเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเอ้ยท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขาทองซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะแล้วก็ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลด้วย แต่ตอนหลังหลวงพ่อคำเขียนก็ไม่ไม่เอาละเอาก็เป็นแค่เจ้าอาวาสแล้วหลวงพ่อคำเขียนก็มาสอนก็สอนแนวทางเขาเรียกว่าสอนตามวิธีการของหลวงพ่อเทียนเรื่อนไหวรู้สึกเรื่องไหวรู้สึกก็ให้จิตตื่นรู้มีสติสัมปชัญญะจนรู้แจ้งในสัจธรรมคือรู้แจ้งในสังขารทั้งหลายเนี่ยที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดนั่นแหละตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็รู้แล้วก็ เมื่อรู้แล้วก็เกิดยานท่านบอกว่าเมื่อรู้แล้วมันก็เกิดยานคือรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้จริงแล้วก็พ้นทุก์ได้เลยอพ้นทุกก็คือมันมีสังขารไม่เที่ยงเป็นทุก์นั่นแหละคือมันพ้นจากสิ่งนั้นแหละทําไมมันพ้นก็เพราะมียานยานรู้ยานรู้เนี่ยก็เป็นยานที่หลุดที่พ้นก็เลยพ้นจากทุกขท่านก็สอนเน้นแต่เรื่องเรื่องฝึกสติสอนแต่เรื่องความรู้สึกตัวท่านจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องศีลการเรื่องอะไร พราท่านมองว่าสิ่งนั้นนะมีก็ก็ต้องทําอยู่แล้วแต่ท่านเห็นว่าถ้าทําแค่รัการรรษาศีลให้ทานอย่างเดียวมันไม่พองไม่เพียงพอมันจะต้องรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวจึงไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องศีลไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการให้ทานมันคนละเรื่องกันนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่ดีมันดีก็ให้ทําไปนะาการรักษาดานมันดีให้ทาไปแต่มันคนละเรื่องกับความรู้สึกตัว <MM. ตอนพูดอย่างนั้นทีนี้หลวงพ่อก็ นี่ยหลวงพ่อก็คือเป็นบวชกับหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนเป็นพระอุปัชฌาเนาะแล้วหลวงพ่อก็มาอยู่สุกัโตตั้งก็สิบเอ็ดพรรษาแล้วแล้วก็ได้เดินตามก็คือว่าจเจริญฝึกสติตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อบวชมาแล้วเป็นสิบสิบปีก่อนหลวงพ่อบวชนะหลวงพ่อเรียนธรรมะแบบแนวนี้มาแล้วก็พอมาบวชก็มาฝึกเต็มที่เลยเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานนะก็เดินตามเรื่องความรู้สึกตัว ที่หลวงพ่อพูดมากก็คือเนี่ยก็คือเรื่องความรู้สึกตัวแต่ว่าขยายเรื่องของปัญญาเพื่อเป็นการชี้บอกทางให้เหมือนกับว่าให้มันเป็นเป็นพอเข้าใจอะว่าเออเมื่อฝึกสติมากๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดการรับรู้การเห็นอะไรยังไงแล้วมันหลุดพ้นยังไงหลวงพ่อก็เผยแผ่ก็คือถ่ายทอดธรรมจากจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนะหลวงพ่อก็มั่นใจว่าที่หลวงพ่ออเทียนสอนเนี่ยคือถูกต้องที่สุด เพียงแต่ว่าเราทําถูกตามที่ท่านสอนหรือเปล่าเพราะบางทีถ้าที่ท่านสอนแต่เราตีความผิดเราเข้าใจผิดเนาะมันก็ไม่ตรงทางเช่นหลวงพ่อเคยเข้าใจผิดที่หลวงพ่อเทียนสอนเช่นท่านสอนว่าบอกว่าให้รู้ซื่อหรือว่าให้รู้สึกตัวเบาๆแต่เวลาหลวงพ่อปฏิบัติใหม่ๆอ่ะมันปฏิบัติแบบเพ่งๆจ้องๆเลยอ่ะเพราะเหตุว่าถ้าไม่เพ่งนะ ความรู้สึกว่ามันลืมตัวมันรู้ตัวไม่ได้ก็เลยไปเพ่งแต่จริงท่านบอกว่าการเพ่งเนี่ยไม่ใช่รู้สึกตัวมันเป็นความหลงหลงไปเพ่งเพื่อให้รู้แต่ความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่เพ่งแต่เมื่อเพ่งก็ให้รู้โอ้เพ่งกับรู้นี่มันคนละตัวนี่หลวงพ่อมาเข้าใจภายหลังนะว่าไอตอนที่เพ่งอ่ะมันไม่รู้เลยว่าเพ่งเพราะมันมีเป้าหมายว่าถ้าเพ่งแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกตัว แต่ถ้ารู้สึกตัวจริงๆอ่ะเมื่อเพ่งก็ให้รู้ต่างหากเราเออเพราะฉะนั้นพวกเราเวลาปฏิบัตินะถ้ามันเพ่งแล้วเนี่ยให้รู้ว่ามันเพ่งแล้วแล้วไปเทียบยังไงว่ามันเพ่งก็ให้เทียบกับตอนที่ไม่เพ่งดิเวลาในชีวิตประจําวันก่อนจะปฏิบัติใช่ไหมมันก็ไม่เห็นเพ่งอะไรแต่พอปฏิบัติปับ๊บมันมีพฤติกรรมคือการจ้องการเพ่งแค่เนี้ยก็จะรู้จักแล้วว่าแบบนี้คือเพ่งถ้ารู้ว่าเพ่งนั่นแหละคือมีสติ แต่ถ้าไม่รู้ว่าเพ่งก็คือยังหลงแล้วก็หลงผิดด้วยไม่มีวันจะถูกต่อไปอเมื่อต่อมาเมื่อรู้จักเพ่งแล้วก็กคือเพ่งก็ได้จ้องก็ได้แต่มีสติรู้อยู่รู้ว่าเพง่งหรือความเผลอก็เหมือนกันความรู้สึกตัวไม่ใช่การเผลอเอาหลวงพ่อเข้าใจผิดนึกว่าถ้าเผลอแล้วคือมันรู้สึกตัวไม่ได้ ก็เลยพยายามตรึงเอาไว้ยึดให้มันแน่นเข้าไว้อย่าให้เผลอมันก็เครียดอันนี้เขาเรียกว่าฟังมาแต่ไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติผิดทีนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าเผลอไม่ได้เผลอได้แต่เมื่อเผลอก็ให้รู้สึกตัวคือให้รู้ว่าเผลอนี่คือรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวคือรู้ว่ามันเผลอเพราะฉะนั้น่ะที่เราปฏิบัติเนี่ยมันผิดสองด้านก็คือว่าเพ่งเพื่อที่จะไม่ให้เผลออันนี้ก็ผิด หรือว่ากลัวเกินไปว่าถ้าเผลอแล้วกลัวว่าจะไม่รู้สึกตัวไอ้นั้นก็ผิดหลวงพ่อคําเขียนเนี่ยท่านสอนดีท่านบอกว่าไอ้ที่เผลอนั่นแหละดีจะได้รู้โอ้โหเข้าเป้าเลยเพราะว่าเวลามันเผลอมันเผล่บ่อยนี่แล้วพอเผลอแล้วก็รู้ว่าเผลอนี่แหละคือความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นยมจับทางให้ได้นะเวลามันเผลอแล้วรู้เนี่ยนแสดงว่ารู้สึกตัวแล้วแต่ถ้าปฏิบัติไม่ให้เผลอเลยเนี่ยอย่างนี้นผิดเลยอืมเพราะฉะนั้นก็ คําพวกนี้ยมันก็ได้ประสบการณ์จากการได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นนะอันนี้ก็มาโยงกับที่หลวงพ่อพยายามจะบอกในตอนนี้ก็คือว่าการที่เราไปรู้กับรู้เราเนี่ยมันต่างกันลิบหลวงพ่อเทียนก็เคยทดสอบกับลูกศิษย์ของท่านคือท่านท่านสอนเหมือนกับว่าคุยกันเรื่องรูปเรื่องนามนะท่านก็ถามโยมนะโดยหลวงพ่อเทียนเนี่ยชี้ไปตรงที่ดินดินน่ะพื้นดินน่ะนะ ว่าดินเนี่ยมันเป็นรูปหรือเป็นนามโยมบอกว่าเป็นรูปแล้วก็หลวงพ่อเทียนก็ถามว่าแล้วเอ่ออะไรนะอีกตัวงหลวงพ่อจาไม่ได้ถามว่ามันเป็นรูปเป็นนามโยมตอบว่าเป็นนามหลวงพ่อเทียนบอกพอพอพอพอรู้มากไปแล้วโอ้โหตอนแรกหลวงพ่อไม่เข้าใจจริงๆอ่ะที่เขารู้มันก็ถูกนะว่าเออไอไอดินเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้มันเป็นอารมณ์เนาะก็เป็นรูปแล้วก็ไอตรงอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเป็นนามก็ตอบถูกนะ แต่หลวงพ่อเทียนเบรกเลยบอกว่าพอพอพอรู้มากไปแล้วตรงนี้แหละเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่เข้าใจว่าทำไมหลวงพ่อเทียนพูดแบบนั้นว่ารู้มากไปแล้วหลวงพ่อเข้าใจตอนหลังก็คือว่าเราอะ เ, เรารู้มากไปแล้วเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเทียนต้องการให้รู้เราคือให้รู้สึกตัวว่าเราเนี่ยมีตัวตนเป็นผู้รู้แต่ถ้ารู้เราตัวเราเนี่ยจะเป็นสิ่งถูกรู้ เมื่อต ah, well, ัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ความเป็นตัวตนมันก็จะหายไปมันก็จะดับไปเพราะตัวเราเมื่อเป็นสิ่งถูกรู้แล้วมันก็เหมือนกับสิ่งถูกรู้อื่นๆนั่นแหละทีนี้เมื่อพ้นจากตัวเราที่เป็นผู้รู้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วนี่มันไม่มีตัวเราแล้วนี่พ้นจากตัวเราเนาะก็เป็นความไม่มีไอ้ความไม่มีนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์คือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขแต่ถ้ายังมีความถ้ายังมีเรา ยังมีตัวตนยังมีเรานี่แหละคือตัวทุกข์และก็จะเป็นทุกข์ร่ำไปทุกข์้ามพบข้ามชาติเพราะฉะนั้นถ้ารู้เรามันเท่ากับว่าเห็นว่าเราเนี่ยเป็นเพียงแค่สังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยนะแล้วก็พอเห็นถูกอย่างเนี้ยมันก็จะรู้เลยว่าเราจริงๆไม่มีมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดแล้วก็ดับไป ส่วนพ้นส่วนสิ่งที่พ้นไปจากสังขารแล้วนั่นก็คือธรรมชาติรู้ธรรมชาติเนี้ยเป็นธรรมชาติที่หลุดพ้นจากสังขารก็คือสู่นิพพานอย่างเดียวไม่เป็นอื่นเพราะฉะนั้นพวกเราถ้ารู้จักธรรมชาติรู้เราแล้วเนี่ยนี่แหละก็คือเขาเรียกว่าชัดเจนคือพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้แต่ถ้ารู้เราไม่เป็นยังแต่เรารู้เรารู้รู้พระใจบีดกรู้ไปหมดเลยรู้ดีรู้ชั่วรู้ใจรักรู้หมดเลย ถ้าเรายังเป็นเรารู้นะอันนี้ก็ยังเป็นอัตตาตัวตนยังไม่เป็นอนัตตาก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะนั่นนะรู้เรารู้โดยญาณรู้โดยญาณทัศนะรู้ด้วยปัญญาวิมุตต์มันเป็นวิมุตติไปหมดอะตรงนี้ก็หลุดพน้นหลุดพน้นหลุด พ, ดพ้ะหลวงพ่อก็พูดจะยาวเลยเอา้าวมีอะไรจะถามไหมขอบขอบคุณมากเลยครับที่หลวงพอ่อ เล่าประวัติแล้วก็ได้หลักการที่แท้จริงของอหลวงพ่อเทียนเพราะว่าตอนนี้เอก็ในตามที่เว็บตามอะไรเงี้ยก็ก็จะมีวิธีการในในการปฏิบัติอยู่ครับอันนี้อันนี้ผมเสริมนิดนึงอาจจะแทนก็คือก็มีอาจารย์เกี่กับผมนะครับก็อาจารย์ที่เขาทําปฏิบัติเขาเขาใช้หลักของหลวงพ่อเทียนนะครับเข้ามาช่วยในในเรื่องของ อให้รู้สติในเรื่องของกายครับอย่างตามที่หลวงพ่อพูดเป๊ะเลยครับเพราะตอนแรกก็คือไม่เคืออารมณ์เข้ามาแต่ว่าก็ยังไม่รู้ทีนี้ในฐานที่ที่แรกที่จะทําให้มันสําเร็จได้ก็คือถ้าเรารู้กายเนี่ยในส่วนอื่นๆมันก็จะตามมาได้อาจจะไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยแนะนําว่าในลักษณะของการใช้วิธีปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีครับทีนี้ผม อาจจะเลียนถามหลวงพ่อนิดหนึ่งนะครับก็คือที่เป็น14จังหวัดะครับแต่ว่าพอมาปฏิบัติจริงๆเอามาใช้กับในชีวิตประจำวันนะครับก็พยายามจะเปลี่ยนจาก14จังหวัดอะ14จังหวัดเป็นเขาเรียกว่าอินฟินิตี้จังหวัดก็คือเหมือนกับว่าเราจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งหรือว่าเรากำลังทำ กิจกรรมอะไรก็ให้เรารู้สึกตัวในทุกๆขณะที่เรากระทําก็แต่ว่าก่อนหน้านี้นก็คือจะต้องเอเหมือนเรามีสติในในขั้นตอนของตามที่หลวงพ่อเทียนท่านว่าถ้าเราควบคุมได้อย่างอัตโมติแล้วเนี่ยพอเราเอามาใช้กับในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเราตอนนี้กําลังมีสติกําลังทําอะไรอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะทําให้เรามีสมรารถาที่เข้มแข็ง แล้วก็จะไปรู้ตัวที่เป็นจิตเดิมแทนเป็นญาณตรงนั้นได้อะครับอันนี้หลวงพ่อมีความคิดเห็นหรือว่าผิดถูกยังไงช่วยชีย้เนี่ยดยครับคือการปฏิบัติเนี่ยมันต้องเริ่มต้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าต้องมีรูปแบบคือถ้าไม่มีรูปแบบเนี่ยเออหมายความว่าตัวสติตัวปัญญาเนี่ยมันรู้อะไรไม่ทันหรอกแล้วมันก็จะไหลไปตามความคิดหมายถึงว่า พอคิดอะไรมันก็ทําตามไปทันทีเลยเนาะคิดจะไปเที่ยวมันก็ไปเลยคิดจะไปนอนจะไปกินมันไปตามที่ความคิดลากไปหมดเลยนะคิดดีมันก็ไปทําดีคิดไม่ดีมันก็ไปทําไม่ดีแต่ทีนี้พอเราทําตามรูปแบบเนี่ยมันสามารถที่จะหยุดหยุดการกระทําพวกนั้นได้หลวงพ่อยกตัวอย่างนะเช่นสม่ายกมือสิบสีจังหวะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะยกให้ดูพอยกมือสิบสีจังหวะเนี่ยมันเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบก็คือ รูปแบบก็คือยกมืออย่างนี้ไปอย่างนี้ยกมือเข้ายกมือออกมันเป็นอย่างนี้นะอ่าทีนี้ก็<ๆ> ก, ก็ทําไปตามเส้นทางแบบนี้แหละแต่ทีนี้ว่าถ้ามันเผลอเช่นมันเผลอปับ๊บเช่นมือเนี่ยมันออกนอกแบบเช่นไปหยิบโทรศัพท์ไปหยิบนู่นเนี่ยมันจะเกิดการรู้สึกได้เร็วขึ้นว่าอะเนี่ยมือไหลไหลไปตามความคิดแล้วคือความคิดบอกให้ไปหยิบโทรศัพท์หรือว่าให้ไปอะไรก็แล้วแต่ มันก็จะเกิดสติที่รู้เท่าทันว่าไอ้นั้นเน่ยไม่ใช่อยู่ในแบบแล้วก็มันก็กลับมาอยู่ในแบบอ่พอกลับมาอยู่ในแบบทำซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยจนกระทั่งว่าจิตเนี่ยมันเชื่องมันอยู่ตัวมันอยู่ตัวคือจิตไม่ค่อยคิดไปทําอย่างอื่นแล้วเพราะว่าถ้าคิดมันก็มีสติรู้ทันว่าอาความคิดเกิดแล้วแต่ก็ไม่ทําตามให้อยู่ในรูปแบบตามตามระยะเวลาที่เหมือนกับว่าเราเห็นสมควรอย่างเงี้ยอืเพราะฉะนั้นรูปแบบมันก็สําคัญมาก อย่างการเดินจงกรมก็เหมือนกันการเดินจากจุดหนึ่งมาอยู่จุดหนึ่งอย่างเนี้ถ้าเราไม่เดินถ้าเราไม่กําหนดบริเวณสถานที่อย่างนี้เอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันคิดอะไรแล้วก็เดินไปนู่นไปหมดอเดินไปเดินไปก็เรียกว่าไม่รู้ไปไหนไปไหนก็ทุกไปตามที่คิดแต่ถ้าเดินในช่องทางที่กําหนดอย่างเนี้ยพอเดินไปเดินมามันก็มีความคิดเช่นมันบอกว่าเดี๋ยวไปเดินตรงนู้นดีกว่าอ่าสติ ก็เกิดเหมือนกับว่ามีสติก็เห็นความคิดที่จะรู้ว่ามันคิดให้ไปไหนแต่ก็ไม่ทําตามก็ให้ยังเดิมอยู่ที่ให้เดินอยู่ที่เดิมพอเดินไปเดินมาอ๋อมันก็คิดให้ให้ไปซักผ้าแต่ก็ไม่ทําตามแต่ก็เห็นความคิดอ่าพอเดินไปเดินมามันบอกให้ไปอ่านหนังสือธรรมะก็ไม่ไปอการที่ทวนกระแสแบบเนี้มันทําให้เกิดความตั้งมั่นของของจิตเนี่ยหรือว่าเรียกว่าเป็นสมาธิเนี่ยมันมันมีกําลังมากขึ้น พอมีกำลังมากขึ้นปั๊บก็มันความว่ามันมั่นคงพอเกิดความคิดอะไรที่จะลากไปมันก็ไม่ไปเพราะว่ามันรู้ทันแล้วก็กำลังของสมาธิเนี่ยอยู่อยู่ตัวแล้วอันนั้นก็หมายความว่าการปฏิบัติตามรูปแบบโดยอาศัยรู้กายเนี่ยมันทำให้เป็นฐานที่ตั้งทำให้เกิดสมาธิเป็นหรือว่าอะไรที่มันมันมันมันตั้งมั่นอ่ะนะเออแล้วก็รู้เท่าทันความคิด การรู้เท่าทันความคิดเพราะว่าความคิดเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่กายเคลื่อนไหวเหมือนกับว่ามันรู้จักดีเนี่ยว่าไอเนี้ยคือกายเคลื่อนไหวแต่ความคิดเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งเหมือนกับที่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้แยกเขาว่ามันเป็นแต่ละอย่างพอรู้จักความคิดแล้วมันก็รู้ทันว่าความคิดชวนให้ไปทํานั่นทานี้แต่ก็มีสติตั้งมั่นก็คือไม่ไปได้แต่รู้ว่าคิดและสุดท้ายมันก็วางความคิดคือทิ้งอ่ะก็กลับมาเดินใหม่รู้กายไปเรื่อย เอาคิดใหม่ก็รู้ทันแล้วก็ไม่ทําตามใจที่คิดฝึกอย่างเนี้ยบ่อยๆจนกระทั่งว่ารู้เท่าทันความคิดนะแต่ในช่วงเนี้ยบางทีนะที่หลวงพ่อเนี่ยมันยังไม่ค่อยเกิดปัญญาเท่าไหร่แต่อย่างน้อยเห็นผลจากการปฏิบัติคือจิตเนี่ยส ง, งบมากขึ้นความตั้งมั่นของจิตคือมันอะไรกระทบกายกระทบใจเนี่ยมันไม่ค่อยหวั่นไหวมันก็ได้แต่รับรู้รับรู้แบบไม่ไหลาตามนะได้รับรู้รับรู้ แต่ปัญญาช่วงนั้นเนี่ยมันยังไม่เกิดหรอกเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเริ่มเกิดจากสมาธิก่อนให้มีความสุขให้มีความพึงพอใจจากการที่ได้ปฏิบัติเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันมีความสุขมันไม่เหมือนกับความสุขที่แบบได้กินได้เที่ยวนะอันนั้นมันเหนื่อยแต่ความสุขจากการเดินจงกรมการยกมือเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องออกแรงไอ้เขาเรียกว่าไม่ต้องออกค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องเดินทาง มันก็มีความสุขพอมีความสุขอย่างเนี้ยแรกๆมันก็ติดสุขนะคือมันไม่อยากจะทํางานแล้วมันอยากเดินจงกลมมันอยากนั่งยกมือมันไม่อยากจะทํางานอย่างอื่นเพราะเพาะมันมันติดสุกไงแต่ปัญญามันยังไม่มีปัญญาเนี่ยค่อยพัฒนาในขั้นต่อมาคือต้องได้ยินได้ฟังที่ครูบาอาจารย์ท่านให้มาเป็นคําพูดเนี่ยที่เราได้ยินเนี่ยท่านพูดถึงสิ่งเกิดสิ่งดับพูดถึงความไม่เที่ยงท่านก็บอกว่าสังเกตดิสิ่งใดที่มันเกิดอ่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอ่าทีนี้ ด้ทางด้ทางก็คือเดินจงกรมเหมือนเดิมนั่งยกมือเหมือนเดิมเคลื่อนไหวเหมือนเดิมแต่ก็เห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในร่างกายจิตใจเห็นมันปรากฏการต่างๆก็เริ่มเห็นว่าเออมันมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ได้ยินได้ฟังมาก่อนว่ามันเกิดแล้วดับไปอ๋อก็เห็นตามได้ก็เลยรู้เข้าใจเรื่องความความก็เรียกว่ารู้ใจลัก น, นะรู้ใจลักทีนี้เมื่อรู้ใจลักแต่ว่าโอ้ มันอีกนานนะกว่าจะรู้ว่ายังมีเราเป็นผู้รู้ยังมีเราเป็นผู้เข้าใจคือคือมันยังไม่สามารถระลึกได้เลยว่ายังมีตัวตนอยู่เพราะมันเอาตัวตนเนี่ยไปรู้ไใจลักณเอาตัวตนมาฝึกแต่มันไม่รู้หรอกว่ามันยังมีตัวตนอยู่ซึ่งตรงนี้มันเป็นอวิชาซึ่งรู้ได้ยากจนกว่าจะได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านชี้อีกนะท่านบอกว่าเนี่ยยังมีตัวตนอยู่เลยนะยังมีตัวตนเป็นผู้รู้อยู่นะตอนแรกก็ฟังไม่เข้าใจ แต่พอมาตอนหลังเริ่มเข้าใจว่าอ๋อไอ้ผู้รู้นี่เราเนี่ยเป็นคนรู้อันเลยเกิดขึ้นเราก็เป็นคนรู้เนี่ยที่เรียนธรรมะทั้งหมดเราก็เป็นคนรู้เอ้มันยังมีเรามีเราแล้วก็พอดูดีๆไอ้เราเนี่ยก็ยังตายเหมือนกันเลยเนี่ยเราเกิดมาต้องแก่เจ็บตายไปเอ้าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันยังยังเปลี่ยนได้เลยก็คือมันรู้ไม่จริงบางทีมันก็ไม่รู้บางทีก็รู้บางทีมันมันหลับไป ไม่รู้อะไรเอา้าไอ้ตัวเราผู้รู้มันก็ไม่เที่ยงก็เลยรู้รู้ตัวเราเขาเรียกว่ารู้เราตอนนี้ในขั้นตอนรู้เราแหละพอรู้เราปับ๊บอ๋อมันมีอีกสิ่งหนึ่งนี่ที่มารู้เราแล้วไอ้สิ่งนั้นมันไม่ใช่เราอ๋อมันยิ่งชัดขึ้นก็เลยเกิดปัญญาว่าก็คือว่าสิ่งที่เราไปรู้มันก็เป็นของไม่เที่ยงไอ้ตัวเราที่เป็นผู้รู้ก็เป็นของไม่เที่ยง แต่ไอ้ที่รู้เราไงไอ้ตัวเนี้ยที่หลวงพ่อเรียกว่ายานเนี่ยยานทัศนะหรือวิมุตติยานเนี่ยมันมันพ้นไปจากตัวเรามันเที่ยงแท้แน่นอนคือมันไม่ปรากฏตัวมันไม่เกิดไม่ดับก็เลยเข้าใจเรื่องความพ้นทุกว่าอ๋อไอ้ตัวนี้แหละตัวที่มันไม่มีทุกไม่มีสุขมันพ้นจริงๆพอแยกได้อย่างนี้เนี่ยก็ใช้ในชีวิตประจําวันก็คือว่าไอ้ที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยก็คือตัวทุกแหละมันเดินมันนั่งมันนอนมันพูดมันคิดเนี่ยเนี่ยเห็นมันอยู่แต่มันเป็นตัวทุกข ก็รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์แล้วก็ไอตัวรู้มันรู้ว่าไอตัวนั้นเป็นตัวทุกข์แล้วเรื่องอะไรมันจะไปไปเป็นเป็นทุกข์อ่ะมันก็ได้แต่รู้ทุกข์แจมแจ้งมันก็ก็เห็นอยู่อย่างนั้นแหละก็เลยมันก็อยู่ด้วยกันก็คือไอตัวทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปแต่ธรรมชาติที่ไม่ทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ไปก็เลยธรรมชาติเนี้ยก็มีสองสิ่งคือทุกข์กับไม่ทุกข์ซึ่งมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปพบอันนี้ก็ปฏิบัติตามมันก็เลยเห็นตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนกก็เลยรู้จั รู้จักขึ้นมาว่าโอ้ธรรมชาตินี่มันมีแค่นี้เองคือมีทุกข์กับความไม่ทุกข์อันทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อขยายตรงนั้นนิดหนึ่งว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยเวลาท่านสอนให้ความรู้สึกตัวนะนอกจากทำตามรูปแบบแล้วเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดๆเนี่ยท่านบอกว่าเอามาฝึกสติได้หมดเช่นการครึงคร่งนิ้วเนี่ยครึ่งนิ้วเนี่ยครึ่งนิ้วเอานิ้วมาครึง่งครึงคร่ ง, ค ร, งครึงเนี่ยมันก็รู้สึกได้ การจะก้มจะเงยจะกินจะเคี้ยวเนี่ยเวลาเรากินอาหารเนี่ยอย่าอย่าใจลอยอย่าเพลินกับสิ่งอื่นคือให้รู้ถึงกายที่มันกําลังเคี้ยวคือมันเคลื่อนไหวปากขยับขยับอ๋อรู้เข้าไว้รู้เล่ น, เ ล, นเล่นไปอย่างนั้นแหละแล้วก็กินไปแล้วเวลามันเพลืนก็รู้อเวลามันเคี้ยวก็รู้เวลาอะไรก็คือมันรู้สิเพราะว่ามันมีสติเนาะก็เลยรู้ ร, รู้เงี้ยก็ทําให้ ระหว่างฝึกสติมันก็ทั้งมีทั้งศีลเนาะแล้วมีสมาธิแล้วก็ปัญญาเดี๋ยวมันค่อยๆเกิดในตอนหลังก็ฝึกอย่างนี้ทําให้มากทำให้มากก็หมายถึงว่าจะเดินจะนั่งจะอยู่ที่ไหนจะขึ้นรถลงเรือจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่โอ้ต้องฝึกต่อเนื่องเลยอันนี้ที่เล่ามาเนี่ยคืออันนี้เรื่องส่วนตัวแล้วก็คือหลวงพ่อเนี่ยมีความศรัทธาในตรงนี้แล้วก็มันได้รับผลจากการที่ได้ฝึกคือ ความทุกข์ทางใจจะน้อยลงเพราะมันเป็นความสุขมันเป็นสมาธิไงมันเป็นสมาธิแล้วก็พอใจพอใจมากเลยพอพอใจมันก็เกิดความเพียรคือขยันขยันฝึกเองโดยที่ว่าไม่ต้องมีคนมาบอกไม่ต้องมีคนมากำชับทําเอาเองเลยฝึกเอาเองทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับก็เลยมันก็เป็นเฉพาะตัวว่าเออถ้ามีความศรัทธาแล้วมันก็เกิดความเพียรเองก็เลยมันให้ผลเองพอให้ผลก็เนี่ยก็มี ปัญญาความรู้แค่ไหนก็เลยมาบอ ก, บอกมาบอกต่อเออมาบอกต่อบอกกันอย่างเงี้ยนะตกลงพวกเรานะถ้าถึงว่าจะปฏิบัติฝึกรู้สึกตัวเนี่ยเอากายนี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการฝึกนะกายเคลื่อนไหวไม่ว่ามันจะเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ฝึกรู้เข้าไว้แค่รู้กายอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะรู้อย่างอื่นจะรู้เวทนาจะรู้จิตจะรู้ธรรมะมันจะให้เลยเพราะว่าสิ่งพวกนั้นมันมีนมอยู่แล้วแหละนะเวทนา อจิตก็มีอยู่แล้วเวทนาก็มีอยู่แล้วธรรมะต่างๆพวกธรรมารมณนีวรต่างๆมันมีอยู่แล้วแล้วก็สติก็ไประลึกรู้รู้ว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นเกิดสิ่งนั้นดับกลายเป็นว่าสาติปัฏฐานสี่ก็คือโอ้ก็คือรู้กายรู้ใจรู้จิตคือรู้ในตัวเองนั่นแหละเท่ากับว่ารู้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่รู้เส้นทางของมันการเดินทางของมันคือเน้นที่เรื่องรู้นะคือเน้นที่รู้ ส่วนสิ่งถูกรู้อารมณ์ต่างๆไอ้นั้นเนะ่ะเป็นแค่อาศัยเป็นที่ระลึกอาศัยเป็นเครื่องรู้เฉยๆไม่ได้ไปยึดถือว่าสิ่งที่ถูกรู้เช่นมันโล่งมันโปร่งมันเบาสบายอย่าหลงไปยึดถือเพียงแต่รู้ว่ามันโล่งมันโปร่งมันเบาสบายหรือถึงคราวมันไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาสบายก็คือแค่รู้อย่าไปหลงยินร้ายหรือว่าอย่าไปรังเกียจอะไรมันเพียงแค่รู้แค่รู้ ใช้หลักรู้จะเริยนเรื่องรู้ให้มากแล้วมันก็จะพ้นทุกข์ได้เออตอนนั้นพ้นทุกข์ได้ก็เพราะรู้นี่แหละรู้แต่ไม่ติดไม่ยึดอะไรก็เลยเป็นได้สักแต่รู้